เรื่องขันธวาทีโดยอาจารย์เสถียรโพธินันท์สถาในวันนี้ไม่ใค่พูดเรื่องที่เข้าใจง่ายงายเพราะว่าได้พูดในหัวข้อเรื่องขันธวาทีตามคำศาสนาของท่านท่งที่สุรุปหนึ่งที่ท่านศาสนาจะให้พูดพูดถึงการวิจัยเรื่องเป็นจกขันเพราะฉะนั้นเมื่อตั้งหัวข้อพูดในแนวปราามาจารย์การฟังในวันนี้ ท, ท่านู้ขี่มีภูมิธรรมปริยัติไม่ถึงก็จะฟังไม่เกิดรสชาติอะไรทักสิ่ง เพว่าเป็นธรรมดาอยู่เองที่เรากำลังจะพูดถึงธรรมะที่เหนือบัญญัติเหนือสมมุติอันเป็นธรรมะขันปรมาัาหรือขั้นสูงสุดในพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้น <c oughs> ถ้าท่านผู้ฟังผู้ใดปราถนาความสนุกสนานเติ่เติมจากปาฐกถาในวันนี้แล้ว <c oughs> ก็ขอแจ้งให้ทราบว่าผิดหวังเพราะในเรื่องที่จะพูดนี้ไม่มีเรื่องโลกิยะเลยเป็นพูดเรื่องหลักวิชาเรงแนวโลปรมาจุดล้ว น, น, นทีเดียวเรื่องขันเนี่เป็นเรื่องสําคัญ พุทธมามกะที่สนใจในการฟังธรรมหรือเคยเข้าวัดเข้าวาเคยกระดับกรับฟังธรรมะในศาสนาบ้างทุกคนก็จะต้องเข้าใจในคําว่าขันเพราะว่าเราพูดกันอยู่บ่อยๆในเรื่องขันเช่นว่าพูดถึงการปล่อยขันวางขันและกําหนดรูขันเพราะฉะนัเรื่องขันเป็นเรื่องที่ขึ้นอกขึ้นใจของชาววัดเป็นอย่างดีแม้ผู้ที่เป็นชาวบ้านถ้าเคยมีความสนใจฟังพระคำสวดมาติกาสวด บางสกุลมาแล้วก็จะฟังคําว่าขันขึ้นออกขึ้นใจอยู่ขันทวารีนี่หมายถึงวัดพระของชาวพุทธเพราะว่าพุทธศาสนา น, นั่นผูกขนานนานจากพวกปรวาทีว่าเป็นพวกขันทวารีพวกที่ถือว่ามีแต่ขันห้าวล้วนไม่มีสภาวะหรืออันตาใดอื่นเป็นผู้ยืนโรงสมมุติให้เป็นตัวเวียนว่าวตายเกิดเพราะฉะนั้นศาสนาพูดกับศาสนาอื่นนั่นขึ้นต้นแตกต่างกันในข้อที่ว่า ศาสนาทั้หลายในโลกล้วนบัญญัติว่ามีโซนมีโซนคือวิญญาณวิญญาณชนิดที่เป็นอมตะเรียกว่าโซนวิญญาณชนิดที่เป็นอมตะที่เรียกว่าโซนนี้ไม่ว่าจะเป็นศาสนาแนวเทวนิยมหรือศาสนาแนวจิตตนิยมศาสนาแนวเทวนิยมก็บัญญัติโซนในฐานะที่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของพระเจ้าที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นอย่างเช่นว่าศาสนาคานาริสต์ศาสนามุสริมศาสนายิวศาสนาเหล่านี้ก็ถือว่าโซนของ ทุกศัพท์หรือทุ ก, ทกศตรวรีษนั้นเป็นผลิตงานของพระผู้เป็นเจ้าในตามคตินิยมในศาสนาของเขาในทางตะวันออกาศาสนาที่นับถือโซนเป็นอมตะก็ได้แก่าศาสนาพราหมณ์แต่าศาสนาพราหมณ์นั้นมีหลายชั้นคือมีชั้นที่ถือว่าโซนเป็นผลผ ล, ผลของพระเจ้าซึ่งเป็นชั้นหยาบชั้นหนึ่งและชั้นละเอียดขึ้นมาก็ถือว่าโซนนั้นไม่ได้เป็นผลผลของพระเจ้าโดยตรงแต่เพราะว่า เป็นส่วนหนึ่งที่แยกออกไปจากพระเจ้าเองนี่นี่เป็นเรื่องในศาสนาพราหมศาสนาพราหมณ์ชั้นที่ลึกเข้าไปอีกก็ถือว่าโซนนั้นเป็นอันเดียวกับพระเจ้าไม่ใช่เป็นส่วนหรือไม่ใช่เป็นผลผลแต่ว่าเป็นเอกภาพเดียวกับพระผู้เป็นเจ้าโดยตรงเพราะฉะนั้นโซนในศาสนาพราหมจึ Menschen, <c oughs> งมีหลายชั้นผิดกับโซนในศาสนาคริสตเตียนหรือศาสนามุสลิมหรือศาสนายิวซึ่งเป็นซึ่งถือกันว่าโซนนั้นเป็นผลผลของพระผู้เป็นเจ้าแต่ต่างกันความไปลึกยิ่งกว่านั้น ไปลึกจนกระทั่งสามารถเอาพระเจ้ามาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับตัวเราได้หมายความว่าตัวเรานั่นแหละเป็นพระเจ้าดังปรัชญาในวัตถิเวทานตะของพระมที่มีคําพูดว่าอะหัมพรมมณีตสรรณะสวัมอสิกกว่าตัวของข่านเป็นพรหมแม้โันท่านก็เป็นพรหมเช่นเดียวกันเป็นคําขวัญในปรัชญาเวทานตะอันเป็นสาขาหนึ่งของศาสนาชาตนี่แปลว่าระดับภูมิธรรม ในการตีความหมายของคําว่าโซนนั้นศาสนาตามไปสูงกว่าศากนาคริสตหรือศาสนาล斯มหรือศากนาฮิวรวมกันตามชั้นภูมิของบุคคลครา้นี้ในพุทธศาสนาศากนาพุทธแหวกแนวไปกับแตกต่างกับศาสนาเหล่านี้โดยสิ่งเชิงคือไม่ได้สอนโซนในฐานะเป็นอมตะภาพไม่ได้ถือว่าโซนเป็นของไม่เกิดแก่เจ็บตายแต่ถือว่าโซนที่แท้จริงนั้นไม่มีมีแต่ภูมิของธรรมชาติซึ่งเกิดแต่ผลแห่งกรรมเป็นผู้ปรุงแต่ เมื่อเกิดเกิดจากผลแห่งกรรมเป็นถู้ปรุงแต่ตํารมัญหาอุปาทานเป็นผู้ปรุงโซนขึ้นก็เมื่อโซนเกิดจากกรรมตัญหาอุปาทานเป็นผู้ปรุงเช่นนี้โซนจึงไม่มีภาวะในฐานะเป็นอมตะดังที่ศาสนาอื่นๆเข้าสอนกันศาสนาพุทธจิงไม่ได้สอนหนึ่งโซนแต่สอนเรื่องตรงกันข้ามกับโซนคือปฏิเสธโซนหมายความว่าปฏิเสธอัตตาโซนก็คืออัตตาบัญญัติโซนในตัวตนบัญญัติตัวตนอยู่ที่โซน กลุ่ธรรมชาติที่ปรุงให้เกิดมนุษย์มีชีวิตขึ้นพระพุทธองค์ได้จําแนกออกเป็นนามหนึ่งรูปหนึ่งเรียกว่านามมาทํารูปธรรมในานามในรูปนั้นเมื่อแยกประเด็นเป็นหมวดหมู่แล้วก็เรียกว่าเป็นกลุ่มธรรมชาติห้ากองหรือเรียกว่าห้าขันเดิญจกขันอันเป็นฝ่ายนามธรรมสี่ขันฝ่ายรูปธรรมหนึ่งขันเมื่อรวมกันแล้วก็เป็นเบญจขันคําว่าขันนี่แปลว่าอะไรขันท่าในภาษาบาลีนั้นแปลได้หลายอย่าง คือว่ายางหนึ่งแปลว่าก้อนก้อนสิ่งที่เข้าจับกันเป็นก้อนเรียกว่าขันอย่างหนึ่งแปลว่ากลุ่มหลายๆสิ่งมารวมกันเขา้าเป็นกลุ่มอย่างหนึ่งแปลว่าแท็งแท็งหมายถึงภาวะที่กลมกลืนสนิทแนบแน่นจนกระดูกระหนึ่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเรียกว่าแข็อีกอย่างหนึ่งแปลว่ากองหมายถึงสิ่งหลายๆลสิ่งมาทับถม กันเข้าเป็นเป็นกองขึ้นมาเราเรียกันว่ากองอย่างหนึ่งแปลว่าส่วนเพราะฉะนั้นจากคำแปลของคำว่าขันเนี่ยเราจะเห็นว่าได้ว่าไม่มีอะไรเลยที่จะแสดงให้เห็นว่ามีสภาวะใดคงที่ยืนรงโดยเป็นตัวของตัวมันเองอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากหลายลสิ่งมารวมเป็นกลุ่มแล้วก็มารวมเป็นก้อนมารวมกันเป็นแท่ง มารวมกันเป็นส่วนชื่อว่าขันเพราะฉะนั้นเมื่ข nah ันมีความหมายอย่างนี้ท่านจึงใช้ในความหมายหลายอย่างเช่นแปลว่าทหารหลายๆคนมารวมกันเข้าเป็นกองทัพต like ้อเรียกว่าพลละขันคือกองพลพลละขันคือกองพลหมายถึงทหารหลายๆคนมารวมกันเข้าเป็นกองทัพเราก็เรียกว่าคนละขันอ่านี่เป็นความหมายในในอัดคําว <450. S 2> ่ากองในอัดเป็ความหมายออย่างหนึ่งขันหมายถึงคุณคุณภาพ เช่นว่าในความหมายที่ใช้คําว่าศีลขันสมาธิขันปัญญาขันในที่นี้มันได้แปลว่ากองของศีลหรือกองของสมาธิหรือกองของปัญญาไม่ได้แปลอย่างนั้นขันในที่นี้หมายถึงคุณคุณประโยชน์หรือคุณภาพศีลขันนีก็หมายถึงคุณภาพของศีลสมาธิขันก็หมายถึงคุณภาพของสมาธิปัญญาขันก็หมายถึงคุณภาพของปัญญาอันนี้ขันในที่นี้ทํามาในกับคําว่าศีลขันสมาธิขันปัญญาขันแล้วให้แปลว่าคุณวิเศษ หรือคุณประโยชน์หรือคุ ณ, ณภาพถา ม, มาต์จากสิ่งอื่นเช่นมากับอาหารหลายๆหน่วยรวมกันเราถึงแต่ว่ากองคือกองทัพกล่าวคือผละขันนี่เป็นความหมายของคำบขันแล้วอีกอย่างหนึ่งในที่มากับคําบุญที่เรียกว่า บ, บุญญขันกุศลขันบุญญขันกับกุศลขันนี้ไม่ได้หมายถึงคุณวิเศษของบุญหรือคุ ณ, ณภาพของบุญแต่แปลว่าบุญมีประมาณใช่น้อยกุศลมีประมาณใช่น้อย มืึงจะขันกุศลขันเนี่ยแปลว่าบุญมีประมาณใช่น้อยกุศลมีประมาณใช่น้อยไม่แปลว่าคุณภาพของบุญหรือคุณภาพของกุศลอย่างที่มากับคําว่าศิลขันสมาธิขันปัญญาขันแต่ต้องแปลอย่างนี้แปลว่าบุญมีประมาณใช่น้อยกุศลมีประมาณใช่น้อยอันนี้ก็เป็นอัจฉรสของตับคําว่าขันทะที่มาในภาษาบาลีลับนบังยกตัวอย่างมาปรนนาโดยย่ออย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อพุทธศาสนาปฏิเสธเรื่องโซน โดยการจำแนกส่วนของชีวิตแห่งควนปัตว์ว่าขึ้นอยู่กับนามรูปและก็นามรูปนี้เมื่อแยกออกไปแล้วก็ป ร, ประกอบด้วยส่วนห้าส่วนอันอันเป็นรูปธรรมส่วนหนึ่งเปน็นนามธรรมสี่ส่วนรวมกันก็เรียกว่าเบนจขันธ์หรือส่วนห้าส่วนหรือกองห้ากองหรือสภาวะห้าสภาวะมารวมกันไม่มีสัตวบุคคลเราเขาถ้าจำแนกอย่างนี้ เนื่องจากพุทธศาสนาปฏิเสธความเป็นอมรุตตภาพของโซนหรือของอัตตาศาสนาอื่นๆจึงเรียกพุทธศาสนาว่าขันธวาทีศาสนาในยุคพุทธกาลซึ่งส่วนมากเป็นอัตตนิยมจึงเรียกพุทธศาสนาว่าขันธวารีขันธวารีคือผู้มีวาทะวาโดยเรื่องขั น, นในในเรื่องของขันนั้นท่านเปียบว่า ธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นฝ่ายนักริอิยธรหรือเป็นฝ uh, ่ายไอเดียริสม์พระเหตุที่ว่าพุทธศาสนาละรองความสําคัญของนามมาทำรูปธรรมพุทธศาสนาจึงเป็นมชิมะสติปทาไม่เป็นฝ่ายวัตถุนิยมหรือไม่เป็นฝ่ายจิตนิยมแต่ถือว่าจิตตนามนั้นมีความสําคัญพึ่งพากันเป็นอนัญญะมัญญะท่านเปรียบเหมือนว่ารูปธรรมนั้นเหมือนคนตาบอดแต่ว่าขาดี นามาทํานั่นเหมือนคนตาดีแต่ขาหักทั้งสองคนถ้าจะเดินทางไปสู่จุดหมายใดจุดหมายหนึ่งแล้วใครคนใดคนหนึ่งจะทอดทิ้งกันไม่ได้เพราอาศัยกันคือคนตาดีขาหักนั่นขึ้นขี่หลังคนตาบอดขาดีแล้วคนตาบอดขาดีก็อาศัยปากอาศัยตาของคนตาดีขาหักชี้ทางให้เมื่อเป็นเช่นนี้ต้จะสามารถแบกคนตาดีขาหัก ไปสู่จุดหมายปลายทางที่ต้องประสงค์ทั้งตนเองก็ไปสู่จุดหมายปลายทางที่ต้องประสงค์ฉันใดนามธรรมากับรูปธรรมคือวัตถุกับจิตใจนั้นมีฐานะสําคัญที่อาศัยพึ่งพิงกันดังอุปมาเช่บว่านี้พุทธศาสนาจึงไม่ใช่เป็นปรัชญาฝ่ายจิตนิยมเต็มที่หรือสายวัตถุนิยมเต็มที่แต่ถว่ารับรองความสาคัญทั้งฝ่ายวัตถุกับฝ่ายจิตดังปรากฏตัวยอย่างในเรื่องเบญจขันเป็นต้นเบญจขันธ์กปราชญ์อยู่แล้วว่า ขันห้ากองส่วนห้าส่วนส่วนห้าส่วนนี่ประกอบด้วยอะไรบ้างท่านชักตัวอย่างอันแรกว่ารูปรูปประคันคือกองรูปคำว่ารูปประคันคำว่ารูปในพุทธศาสนานี่กว้างเหลือเกินคำว่ารูปแปลว่าสีก็ได้คำว่ารูปแปลว่าพลังงานก็ได้เพราะฉะนั้นรูปในพุทธศาสนานี่กว้างกว่าความหมายคำว่ารูปทางวิทยาศาสตร์ความหมายคำว่ารูปทางวิทยาศาสตร์น่ะเพ่งไปทางตรรษฐาน แต่พุทธศาสนานั้นรวมเอาตรรกับเอน ergy เข้ามาไว้ในรูปหมดแม้กระทั่งวิทยุไฟฟ้ากระแสขึ้นเหล่านี้เป็นรูปธรรมทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราเรียนรูปปรัชญาธรรมในพุทธศาสนาแล้วจะเห็นว่าตรงกึืนได้กับทางวิทยาศาสตร์เป็นเพียงแต่ว่าการให้ความหมายของตัพกว้างแคบต่างกันที่ต่างกันน่ะมันแน่นอนเพราะว่าพุทธศาสนาเพ่งไปในทางขุดเก้ากิเลส แต่ทางวิทยาศาสตร์นั้นขึ้นไปในทางวิจัยทางเคมีต่างกันผมรับมันก็ต่างกันเป็นธรรมดาแต่ว่าขึ้นต้นแล้วเหมือนกันฝ่ายหนึ่งต้องการจะวิจัยรูปประทมในฐานะให้เห็นว่าไม่มีโูนมีความไม่เที่ยงทนอยู่ไม่ได้อีกฝ่ายหนึ่งต้องการวิจัยผลทางเคมีนี่เป็นจุดแตกต่างระหว่างพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์แต่จุดที่เหมือนกันคือว่าทั้งสองฝ่ายนั้นอาศัยเหตุผล อาศายการวิจัยด้วยเหตุผลจากเหตุปสาไปหาผลจากผลสาวไปหาเหตุอันนี้ก็ตรงกันเพราะฉะนั้นเราพบคําว่ารู ป, ปรขันหรือรูปธรรมในพุทธศาสนาแล้วกินความกว้างเหลือเกินกินเอาทั้งอุณหภูมิความร้อนเอเนจีพลังงานวิทย์ไฟฟ้ากระแสคลื่นแสงสีกําลังตัวง่ายๆว่ารู ป, ปรขันในพุทธศาสนานั้นหมายถึงแสงสีและพลังงาน จำกัดความง่ายๆเรื่อรูปขันได้แต่อะไรถ้าหากว่าพูดไปตามความหมายของคำดีแล้วถ้าคำดีนั้นกังพันนาว่ารูปขันนั้นประกอบด้วยมหาพุทรูปสีอุปาทายรูปอีก24รวมกันเป็น28่รูป28นี่แหละเรียกว่ารูปขันมหาพุทธรูปสีนั้นคือปัทวีเตโชวายโยอา โ, โปนี่ปัทวีธาตเตโพธาตวายโยธาจาโปธาอุปาทายรูปก็มีมากมาย ถึงยี่ิสี่อย่างแม้กระทั่งอาการเคลื่อนไหวเชิงกายวิญญตัตเคลื่อนไหวทางกายบกีวิญญตัตเคลื่อนไหวทางบาจาภาษาทะรูปอย่างนี้นี่เป็นอุปาทายรูปคือรูปที่อาศัยมหาพุทธรูปเกิดขึ้นในเรื่องมหาพุทธรูปคือเรื่องธาตุสี่ซึ่งจัดเป็นรูปประการนันผู้ที่ศึกษาพุทธศาสนาไม่ถึงแสนมักจะหลงผิดว่าดินน้ำไฟลมนี่ทางวิทยาศาสตร์เขไม่ถือว่าเป็นธาตุทำไมพุทธศาสนามากล่าวว่าดินน้ำไฟลมเป็นธาตุ คำว่าธาตุในที่นี้น่ะภาษาไทยอักจนในการที่จะบันยัดศับทมาใช้ให้ตรงกับศัพทวิทยาศาสตร์ก็ไปคว้าเอาศัพท์ภาษาบาลีคำว่าธาตุเอามาใช้แปลคําว่าธาตในภาษาวิทยาศาสตร์ออกมาจึงได้เกิดการเข้าใจผิดตับสนไข้เผลกันขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องจากัดความหมายคําว่าธาตุในขับความหมายทางบาลีกับคําว่าธาตในความหมายทางวิทยาศาสตร์น่ะไม่เหมือนกันแต่เนื่องจากภาษาไทยเราไม่มีตัดบันยัดโดยเฉพาะก็ไปคว้าเอาภาษาบาลีมาเรียก ก็เลยไข้เคลื่อนขึ้นบอกว่าเอ๊ะดอ้น้ำไฟลมนี่ไม่ใช่าวิทยาศาสตร์ซะหน่อยทํำไมพุทธศาสนาบอกว่าเป็นธาตุเป็นธาตุแต่ไม่ใช่ธานวิทยาศาสตร์นูกแล้วแต่เป็นธาตุในพุทธศาสนาคือคําว่าธาตุละภาษาบาลีน่ะเราต้องเข้าใจะก่อนว่าคําว่าธาตุนี่แปลว่าอะไรท่านแก่ว่าธรรมชาติใดซึ่งทรงไวซึ่งสภาวะของตนได้ธรรมชาตินั้นชื่อว่าธาตุก็เมื่อไฟทรงไวซึ่งอุณหภูมิคือความร้อนไฟก็เป็นธาตุในความหมายาภาษาบาลีถูกต้องแล้วน้ํา ทรงไหวเป็นธรรมชาติคือการเอิบอาบไหลเอิอาอาการเอิบอาบเป็นวาโปเน่ก็เป็นเบ่งธรรมชาติของน้าน้ำอาอาโปก็ชื่อาโปธาถูกต้องแล้ววายโยได้แก่ธรรมชาติที่เคลื่อนไหวที่เคลื่อนไหวอาการนั้นที่ทําให้เคลื่อนไหวได้อาการนั้นเป็นอานาจของ ว, วายโยธาเนี่อันนี้ถูกต้องแล้วอแล้วก็มัทวีธรรมชาติได้สึ่น แ, แข่งแข็งจับกันเป็นก้อนเป็นแท่ง หรือทำให้อีกธรรมชาติหนึ่งเกิดความแข็งแขรงขึ้นมาได้ธรรมชาตินั้นเป็นปัทวีก็ถูกต้องแล้วตามความหมายคําว่าธาตุในภาษาบาลีก็ภาษ า, าบาลีให้จํากัดความว่าธรรมชาติไฟซึ่งทรงไว้สึ่งอัตภาวะแห่งตนธรรมชาตินั้นชื่อว่าธาตุคือทรงไว้สึ่งคุณภาพของตัวไว้ได้ไฟก็ทรงไว้สึงความร้อนอัตโวก็ทรงไว้สึงความไหลเอ่ออาบวายโยสึ่งทรงไว้สึ่งความเคลื่อนไหวแล้วก็เตเอ่ะปัทวีก็ทรงไว้สึ่งความแข็งแข็ง อย่างนี้เป็นธาตุถูกต้องตามความหมายภาษาบาลีแต่เนื่องจากภาษาไทยเราเมือ่อไทยเอาวิทยาศาสตร์มาเรียนเราไม่มีคําจะแปลศัพท์วิทยาศาสตร์ในตรงกับว่าอิลเลเมนต์ในภาษาอังกฤษซึ่งเป็นความหมายทางเคมีทางวิทยาศาสตร์เราต้องไปคว้าเอาศัพท์ภาษาบาลีว่าธ า, า, าตุมาใช้ก็เลยไขว้เขวกันใหญ่ทําให้ผู้ที่เรียนรู้ศาสนาไม่รู้ลึกซึ้งจริงนึกว่าทาาําไมศาสนาพุทธมาสอนเรื่องธาตุขัดวิทยาศาสตร์ความจริงไม่ได้ขัดกันเลยแต่นเรื่องคุณในเรื่อง ถ้าข้าคนหนึ่งจะมาทิศตะวันออกคนหนึ่งจะมาทิศตะวันตกเนี่ยมันเดินคนละทางทีเดียวไม่ต้องมาเถียงการต่างคนต่างปทางของตัวทางพุทธศาสนาสอนขาดแต่ เ, เพื่อต้องการจะให้กระจายจากความเป็นกลุ่มก้อนให้เห็นความเป็นอนัตตาเรียกว่าทําลายคณะสัญญาคณะหมายถึงความเป็นกลุ่มก้อนต้องการให้ทําลายคณะสัญญาเท่นั้นเองความจริงมันมีอะไรขัดกันนะเป็นเพียงแต่ว่าเดินกันคนละทิศนั้นเองฝ่ายญาตาาาาศาสตรนะมุ่งไปทางเทเมีฝ่ายพุทธศาสนามุ่งไปทางยัคพชื่อองลูกตาทานให้กระจาย ให้เห็นว่าเป็นยานันยังไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไมีอะไรที่เก่งดีกว่าโซนเนืออาตมาเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์ก็ไม่จำเป็นจะต้องกลายเป็นนักวิทยาศาสตร์ขึ้นมาไปวิเคราะห์ธาตุตังร้อแสตั้งสองสารอยวิเคราะห์กันอย่างนักเคมีจะวิเคราะห์ถ้าวิเคราะห์ไปแล้วก็ไม่ทํำลายกิเลสได้นั่นไป็นหน้าที่ทางโลกเขาจะไปวิเคราะห์เพื่อจะไปสร้างพลังงานสร้างปรมาณูสร้างอะไรกันหรือทางโลกเขาหรือจากสนามไม่เกี่ยวเรื่องสร้างพลังงานทางปรมาณูมันจะเป็นต้องไปหาสูตร ส, ส, สมการอะไรใดที่จะวิจัยวิเคราะห์ลึกอินเมตลงไปตาามมยของวิทยาศาสตร์ อลูประคันน่ะเมื่อเป็นเช่นนี้ลูกประคันก็ท่านจึงเปรียบว่าลูประคันนี้เหมือนกับผาาชนะเหมือนกับผ้าชนะหรือพูดง่ายๆว่าเหมือนกับสำรับกับสำรับกับข้าสำับกับข้าเพราะกัดในปามาวะจารพุโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งกักในปันโจรโาุในทางาศาสนาท่านแบ่งภูมิั้งกัดว่ากัที่ถือปฏิทินที่หนามีหลายพวกพวกหนึ่งเป็นปันโจ ร, โรพุพวกหนึ่งเป็นจตุวการพุพวกหนึ่งเป็นเอกโวการพุออา ใครภูมิทั้งหมดในโลกนี้ทางกามาภูมิรูปรภูมิอรูปรภูมิหนี้ไม่พ้นความมีความเป็นสาประการคือตับั้งเหล่าเกิดมาแล้วก็มีขันห้าบริบูรณ์มีรูปไปธนาสัญ ญ, ญาสงขาริมยานขันห้าบริบูรณ์อย่างนี้ดีกว่าปัญจโวการะพสทตับทูถือปฏิสิณที่ในปัญจโวการะพก็เรียกว่าปัญจโวการะปฏิคุณที่ตนนันี่พวกเนี่ยเจตวการะพุเป็นพุที่เราไม่เคยรู้เห็นกันเลยในโลกนี้คือพุที่ไม่มีไม่มีรูปประคัน มีแต่นามาขันล้วนล้วนมีแต่เวทนาสัญญาสัขงขารยินยานนี่นี่เป็นจตุวการภพอีกพวกหนึ่งไม่มีนามาขันสี่มีแต่รูปขันล้วนล้วนเรียกว่าเอกาวการภพสัตว์นี้ไม่พ้นสามภพคือความมีความเป็นสามอย่างนี้มันจะุวการภพนะ่ะกว้างมากเบื้องต่าตั้งแต่โลกันมหานรกอบายะพุมสี่นับเรื่อยขึ้นมากระทั่งถึงกรูปาวะจรภูมิธมโลก อันนี้เป็นปัจจุบการในปัจจุบการนั้นจะปุดจะตุดจะตุดชานลพุทธมณฑูรย์นั้นมีพิเศษแทกขึ้นมามีสัตวชนิที่เป็นเอกโอตาลพไปถือกาเนิดอยู่คือตทเป็นอนสัญญาตตามันเป็นสัญญาวีราคะแล้วไปเกิดบนนู้นเรียกว่าเอกโมการศักดมีแต่รูปขันในนามขันเสีย้นจากนั้นขึ้นไปเป็นเรื่องนามขันล้วนๆเรียกว่าจะ โคตรจัตุวูการคือผู้อรูภพม์อรูปกาชื่อก็บอกแปลว่าปฏิเสธไม่มีรูปมีแต่นามนี่เป็นสัตว์ที่นอกเหนือไปจากที่เราลูกเห็นนี่ก็แปลว่าการวิเคราะห์จักรวาลในพิเศษศาสนาเนี่ยนะนำหน้าความรู้ทางวิทยาศาสตร์มากวิทยาศาสตร์เวลานี้ก้าวหน้าไปเพียงวิเคราะห์แค่ปัญจวูการภพเท่านั้นเองยังไม่สามารถก้าวไปถึงขั้นวิเคราะห์ถึงเอกวูการภพหรือจัตุวูการภพได้ แม้ในปัญจบูการะพศวิทยาศาสตร์ก็วิเคราะห์ได้แค่โลกมนุษย์เหล่านี้โลกเดียวโลกอื่นจากโลกมนุษย์เช่นในเทวโลกหรืออบายาโลกนี่วิทยาศาสตร์ยังวิเคราะห์ไปไม่ถึงอันนี้ก็เป็นการกล้าหน้าทางความรู้ในระบบสุริยะจักรวาลในพุทธศาสนาซึ่งได้วาดแผงถังระบบจักรวาลของโลกนี้กว้างกว่านักดาราศาสตร์คนใดในโลกจะรู Não, i, resort, ้เห็นกันก็เกิดด้วยอำนาจของสัตววิทยาลของพระสมณสัตว์จัารไอรู้เห็นมา เพราะฉะนั้นสัตว์ที่บังคือกาเนิดในปัญจุบุการพุจึงต้องอาศัยรูปขันเป็นเตียเหมือนหนึ่งเป็นที่เกิดรูปขันเนี่ยเป็นที่อิงอาศัยของนามขันได้เปรียบมาแล้วว่ารูปขันเหมือนคนตาบอดแต่ขาดีคนตาดีขาหักจะไปไหนต้องอาศัยคนตาบอดขาดีแบบไปฉันใดนามขันสัตว์ในปัญจวการพนุนี้จะสำเรจ็จกิจใดดัดงประสงค์ป ต, ต้องค์อาศัยรูปขันเป็นที่แอบอิงฉันนั้น เพราะฉะนั้นพระโบราณอาจารย์ท่านจึงเปรียบรูปประคันว่าประหนึ่งท่าชนะหรือสําหรับกักข้าวรูปประคันเนี่ยเปรียบเหมือนท่าชนะหรือสําหรับกับข้าวสําหรับเป็นที่ตั้งของข้าวของอาหารต่างๆถ้าไม่มีสารับแล้วไม่มีที่ตั้งแล้วก็ไม่สําเร็จทัดจากรูปประคันขันอันดับต่อมาก็เรียกวิทนาขันเวทนาขันเวทนาขันเนี่ยได้แก่ความรู้สึกสวยในอารมณ์ ค่านวิเคราะห์คํว่ารูปว่ารุปปฏิตรูปไงธรรมชาติใดต้องชิบหายด้วยเย็นด้วยร้อนนะธรรมชาตินั้นชื่อว่ารูปธรรมชาติใดชิบหายด้วยเย็นร้อนธรรมชาตินั้นชื่อว่ารูปปตราบาลีตั้งคําวิเคราะห์ว่ารูปปฏิตรูปังเพราะฉะนั้นคําว่ารูปนี่ท่านตั้งความหมายแปลว่าอะไรค well ําแปลกว้างๆตามความหมายในศัจจะก็แปลว่าธรรมชาติใดชิบหายด้วยเย็นร้อนธรรมชาตินั้นชื่อว่ารูปตอนนี้มีคํากระทุ้นถามมาว่า ถ้าธรรมชาติได้ชิพไห้แต่เย็นร้อนธรรมชาตินั้นชื่อว่ารูปแล้วก็นามาขันมันไม่ชิพไห้ดังก็คือนามาขันมันก็ชิพไห้เหมือนกันนี่นะทำให้ไม่ได้ว่านามาขันรูปล่ะท่านแกบอกว่านามาขันนั้นไม่ได้ทิพไห้แต่เย็นร้อนหรอกมันทิพไหยตามอํานาสังคตธรรมในตัวมันเองคือว่าอากาศจะเย็นจะร้อนน่ะไม่ทําให้นามาขันทิพไห้ได้แต่รูปขันเนี่ยไม่เกี่ยกับโอตุขนองโอตุขนองยกตัวอย่างเช่นว่าในเวลาร้อนจัดเหงื่อออกที่คลายหลรูปชิพไห้ก็ต้องถายออกมา ต, ตมามควมเชี่ยวชาญเนี่ยเส้นเกิดตายดับตายดับเกิดดับเกิดดับอยู่ทุกทุกขณะเป็เก่าของเราเมื่อสมัยเป็นเด็กคารุกนอนเมาะกับเบนเลยเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่ที่นั่งฟังปากฐกถาเดี๋ยวนี้น่ะคุณเรชุดเลยเราจะไปหาห้เส้นเก่าที่มาติดข้างเหลือมาถึงเดี๋ยวนี้ไม่มีเลยไม่มีเลยของเกา่าตายไปของไก่ของใหม่เกิดใหม่ทดทอยกันมาเรื่อยเนี้ยเราอาบน้ําถูขี้ใครเป็นปลาจะลุกจะถลาย นี่ชิพขายเดี๋ยวเดี๋ยรอนเห็นหน อ, อย่างละ่ะร้อนยิ่งร้อนยิ่งหูใหญ่ที่ขายจริงออกมากเซ็นยิ่งตายเยอะนี่ไอ้ผิวหนังผมขนยิ่งหลุตัวมาใหญ่แต่มันตายอย่างซื่งที่เราไม่เห็นเป็นอปปติฉันละชาราเป็นความชาราที่ปกปิดเราแก่ทุกวันอ่ะไม่ใช่ว่ามาเกิดแกแ่จ็บตายไอ้ตอนที่ว่าผมหงอกนี่ว่าแก่เนื้อหย่อนยานนี่ว่าล่ะชาราไม่ใช่ความจริงอ่ะพราะอ้แ้อ้วแ้แหละจากท้องแม่ก็เริ่มแก่ตั้งแต่บัดดนั้นทีเดียว แต่ความแก่อย่างนี้อ่ะภาษาบาลีท่านเรียกว่าเป็นอัปติฉันชะราอ่าเป็นไม่ใช่ปฏิชันชะราปฏิฉันนะอัปติชันนะคือว่าไมายถึงชราที่ปกปิดกับชราที่ไม่ปกปิดอัปติฉันชะราที่ชราที่ปกปิดอัปติฉันชะราคือชราที่ไม่ปกปิดเนี่ยไอชราที่ไม่ปกปิดน่ะเห็นกันคนโทษเห็นกันง่ายกว่าเนื้อหนังหย่อนยานแล้วต้องอาศัยเครื่องกระเทงผิว าตาที่เคยหวานซึ้งบัดนี้ก็แห้งไปหมดแล้วแห้งผ่าไปหมดแล้วแต่ไม่ซื้อหิ่งเต็นซื้อเครื่องยาแม็กซ์กเตอร์มาหยอนให้มันดูอย่างหวานอยู่เป็นกลมลวงหล่อครับไอ้ขนตาที่ไม่เคยงอนก็ล้วงไปแล้วก็อหไอ้ขนตาปลมาใส่ดูมันงอนโค้งมาหน้าสวทีหรืออย่างนี้เป็นต้นไอ้ผิวที่มันหย่อนเหี่ยวแห้งตกกระแตกไปก็อาบน้ํานมเสีอาบน้ํานมกินนมแพะนมงวดนมหนน ม, มีกินเข้าไปจะให้เมื่อมันหย่อนมันตึงขึ้นมา บางทีเนื่อส่วนไหนถ้ามันเห็นว่าชักไมตรป็การก็ให้ในายช่างผ่าเสียยอมตัดเนื้อที่หน้าขาอ่อนมามาโป่ลงไปแล้วก็ทําให้มันเชื่อมเป็นเนื้อเดียวกันเป็นผิวเดียวกันหลอกตาเขาให้เห็นว่ายังสาวอยู่อย่างนี้อ่าคนจีดแผลผมไม่ยอมแพลใครทักว่าแม้ผมหลอกไม่ชอบโกรธแต่ถ้าใครบอกว่าแม่ดูยังกระชุ่มกระชวยนะอายุเท่าไรแล้วเนี่ยอายุหกสิบแล้วยังกระชุ่มกระชวยทั้งแรงชอบ ถ้าใหรบอกว่าแม้หมูนี่ดูหน้าตาซีดตลดเหี่ยวไปมากไม่ชอบทักไม่ชอบแล้วอย่างนี้ต้องพยามวิ่งเต้นหายายยอมผมมายอมให้มันดูดําขําอย่างนั้นแหละผมหลังเขาทักว่าแม่ยังพิ้งอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นความจริงมันเริ่มแก่มาตั้งแต่วินาทีแรกที่เกิดมาเกิดแก่เจ็บปายตามมาแล้ววางเจ็บก็ตามมาท่านท่านท่าเส็นหรือเปล่าว่าในอริยสัจ น, นะไม่มีคําว่าพยาพิทุ ข, ขาไม่มี มีแต่ว่าชาราพีทุกขาบรมนามปทุกขั้งไม่มีพยาธิทุกขาเพราะอะไรเพราะคําว่าพยาธินะ่ะท่านสงเคราะห์ในคําว่าชาราความแก่นั่นะเป็นพยาธิอย่างหนึ่งคือเป็นโรคอย่างหนึ่งคือโรคแก่เพราะฉะนั้นไม่นิเทศแห่งอริยสัจสี่พระองค์จริงไม่จําเป็นต้องยกคําว่าพยาธิมาว่าไว้ความพยาธิสงเคราะห์อยู่ในาชาราแล้วอยู่ในคําว่าชราแล้วคือโรคชาราที่เราเป็นโรคกับโรคแค่ชาราไม่เป็นโรคชาราเป็นโรคชาราทุกคนแหละเป็นอย่างนั้น ยิงไม่จําเป็นนำลังยกอาชีพขึ้นมาออกมาเป็นนิเัยพิเศษไม่จําเป็นอเมื่อเป็นอย่างนี้นาำมาขันยิงไม่แม้ชิพหายโดยเย็นร้อนอากาศจะเย็นทํามะขันก็ไม่ได้เด็กชิพหายไปด้วยอากาศจะร้อนน้ำมะขันก็ไม่ชิพหายไปด้วยไอ้สิ่งที่ชิพหายโดยเย็นร้อนข้นอกเนี่ยเรื่องรูปมะขันน้ำมาขันอาจะชิพหายก็ชิพหายโดยตัวมันเองไม่เกี่ยวกับอากาศข้างนอกชิพหายตามกฎธรรมดาของธรรมตรีธรรมนิยามในธรรมชาติของความเป็นสังคปภัมม์คือทาที่อาศัยเกตดปัจจัยปรุงแต่งขึ้นนะไม่ใช่อาอกัยข้างนอก ประตูข้านอกไม่ใช่แต่รูปขันนี้งอกจากจะชิบหายโดยธรรมดาข้องมันเองแล้วมันยังชิพหายเพราะไอ้ลินพระอังสอดข้างอกช่วอีกพอแรงซ้ำติมเข้าไปอีกเป็นผีตดำดาลอยเพราะเหตุนั้นรูปขันจึงได้จำกัดความหมายว่ารูปตีตีรูตังธรรมชาติใดทึ่งชิพหายได้ชิบหายไดยเย็นโดยร้อนได้ธรรมชาติาานันรร้นชื่อวรูปนี่ความหมายคำว่ารูปขันเป็นอย่างนี้อ่าเวทนานะโดยธรรมชาติหมายถึงผู่โศเหยธรรมชาติได้โศเยิถึงอารมณ์ โทเป็นอารมณ์เป็นสุขบั่งเป็นทุกข์บั่งเป็นกลางๆคือไม่ทบกข์็ไม่สุขบั่งธรรมชาตินั้นเป็นเวทนาเวทนาเนี่ยท่านจําแนกเป็นห้าบั่งเป็นสามบั่งโดยย่อโดยทิฏฐานเป็นร้อยแปดเวทนาร้อยแปดคู่กตัญหาร้อยแปดโดยย่อที่จัดเป็นห้าเป็นสามน่ะคืออย่างนี้ในที่ใดถ่าสงเคราะห์เวทนาเป็นสามคือสุขเวทนาทุกขเวทนาอทบกขมะสุขเวทนาแล้วท่านให้หมายความถึง ทั้งเวทน า, ากายิกะเวทนากเจกติกะเวทนาหมายถึงว่าความสวยอารมณ์ที่เป็นทุกข์ทั้งกายทั้งใจชื่อว่าทุกขเวทนาความสวยอารมณ์ที่เป็นสุขทั้งกายทั้งใจชื่อว่าสุขเวทนาความสวยอารมณ์ที่ไม่ทุกข์ไม่สุขคืออารมณ์ที่กลางๆอยู่ระหว่างกับความสุขกับความทุกข์ทั้งทางกายทางใจเรียกว่าอัคคคมสุขเวทนานี่ในในในในยากของเวทนาติจกันในคือในสาม ถ้าในลางแห่งท่านแสดงโดยปัจนจกรไนเครื่งโสมนัสเวทนาโคมนัสเวทนาเข้ามาแล้วท่านให้อธิบายอย่างนี้ว่าสุขเวทนากระทุกขเวทนานั้นเป็นไปทางกายอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับใจส่วนโสมนัสเวทนาโคมนัสเวทนานั้นเป็นไปทางใจอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับกายสำหรับอันที่หคืออาทุกขมะสุขเวทนาหรือเรียกง่ายๆว่าอุเบกขาเวทนานั้นเป็นสาทานทั้งทางกายทางใจนี่ตามความหมายของปันจักรไน ในการวิเคราะห์คำว่าเวทนาเวทนาขันเนี่ยเป็นผู้เสวยอารมณ์เสวยอารมณ์สุกก็ทุกข์ไม่สุกก็ไม่ทุกข์นะท่านจึงเปรียบเวทนาว่าเหมือนกับโูชนะคือข้าวรู ป, ประคันเหมือนผ้าชนะสําหรับข้าวเวทนาเหมือนโูชนะคืออาหารคือตัวข้าวเพราะข้าวเนี่ยสําหรับกินมันลดยระษัตรกินกันทุกคนกินเะไรเรากินกินอารมณ์เรากินอารมณ์กันทุกคนเวลานี้เพราเมื่อเช้าวัน ไม่มีว่างเว้นที่จะไม่กินอารมณ์เลยขึ้นชื่อว่ามีทุกคือความมีความเป็นแล้วเรามีเวทนาทุกสีต้าทุกเอเริยาบทุกขณะกิตไม่มีขณะใดที่จะปลอดปลงจากเวทนาไม่มีไม่มีเลยต้องมีเวทนาหมดทุกคนกินกันทุทกคนกินอารมณ์ไง ล, ล่ะสุยอารมณ์สุขบ้างทุกบ้างไม่สุขไม่ทุกคืออารมณ์ที่กลางๆลางบักนี่ไปถึงเวทนาอารมณ์มาแลที่ดูอารมณ์กลางก อารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์น่ะไม่ต้องอธิบายเรากเข้าใจได้ไออารมณ์กลางกลางนี่คืออย่างไรคืออารมณ์ที่เป็นที่ตั้งไม่เป็นบทเหตุเกิดความสุขจนออกหน้าออกตาไม่เป็นที่ตั้งให้เกิดความทุกข์จนออกหน้าออกตาพูดง่ายๆว่าอารมณ์ที่เป็นอรรถมสุขเวทนานั้นไม่ได้ ส, สร้างความส่นเต้นให้กระจิตอารมณ์ใดที่ไม่ได้สร้างความสูนเต้นให้กระจิตอารมณ์นั้นชื่อว่าเป็นอารมณ์ ของอภัคมสุขเวทนาอารมณ์ใดที่สร้างความตู่เต้นให้กับจิตถ้าอารมณ์ น, นั้นก่อให้เกิดความตู่นเต้นในทางที่เราพอพอใจ<ค Muss ing>เราก็เรียกว่าอารมณ์ น, นั้นเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาหรือโสมนัสเวทนานะอารมณ์ใดเป็นที่ตั้งแห่งความปื่นเต้นที่ทําให้เราเกิดความไม่พอใจอารมณ์ น, นั้นก็ชื่อว่าเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาหรือโทมนันสเวทนา อันนี้เราจะเห็นได้แล้วว่ะทั้งอารมณ์ที่เป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาพอดีทุกขเวทนาพอดีอัุขขมสุขเวทนาพอดีระดับของมันน่ะอยู่ที่ความตื่นเต้นมากน้อยกว่ากันแม่ไม่เหมือนกันหรอกอยู่ที่ความตื่นเต้นมากน้อยกว่ากั น, นทำไมทำไมเขาเรียก ว, ว่าความตื่นเต้นมากน้อยกว่ากันคืออย่างนี้ขึ้นชื่อว่าอารมณ์อันเป็นเหตุสุขเวทนาเข้าไปสวยแล้วไอ้ที่จะไม่ให้ก่อความรักใจหรือความตื่นเต้นน่ะไม่มีหรอกเพียงแต่ว่าระดับของมันน่ะ อยู่ในขั้นไหนคนบางคนน่ะรับอารมณ์บางอย่างเขาเฉยเฉยอีกคนหนึ่งรับอารมณ์ระดับเดียวกันเขารองไหเนี่ยทั้งทังที่อารมณ์นะั้นน่ะหมุนกันนะไอะ้ผมยกตัวอย่างง่ยายๆเนี่ยยกตัวอย่างเช่นว่าคนสองคนเห็นงูตัวหนึ่งมีงทิกตัวหนึ่งเลยมาหาคนหนึ่งกระโดดร้องวุ่วายกับตู้อีกคนหนึ่ ง, ลล ง, งไม่ร้องโดนค้าคว้าม้จะมาตีมูอารมณ์คืองูนะั่นน่ะอันเดียวกัน ในกอนในขอเห็นงูตัวเดียวกันรักอารมณ์คือรั่วเป็นงูพิษอันเดียวกันแต่ปฏิกิริยาที่สแสดงออกระหว่างตัวในกอในขอน้าตัดต่างกันอย่างสิ้นเชิงทีเดียวคนหนึ่งร้องวุ่นวา ย, วยตโตอกตกใอีกคนหนึ่งไม่รอ้องตรงกันข้ามคว้าสตราปืนผ่านหน้าไ ม, ม้จะมาเล่น ง, งานงูนี่เราจะเห็นได้แล้วว่ะงูอารมณ์อันนั้นก็เป็นอารมณ์เดียวกัน แต่เวทนาที่เกิดกันในกอในขอที่รับอารมณ์นั้นน่ะแตกต่างกันเรื่อเกินนั่นก็คือได้แต่กรารรับใจของอารมณ์ที่ไปกระทบในกอในขอเนี่ยคลื่นแห่งความเร้าวนั้นแตกต่างกันที่เข้าไปกระทบอาท่านจึงกล่าวว่าเวทนาทั้งหมดไม่ว่าสุขว่าทุกขุทมสุขะเป็นทุกข์ทั้งนั้นทุกในที่นี้น่ะมีทั้งทุกข์ที่หยาบสุขขมละเอียดแตกต่างกันนะ บางคนอาจจะค้านบอกว่าเอ๊ก็ทางาศาสนาบอกแล้วว่าเวทนานะ่ะสุขก็มีทุกข์ก็มีไม่ทุกข์ขุขก็มีคืออารมณ์กันกลางแต่ทําไมพอไปอีกทีหนึ่งทงางมุตตะจ่าแสดงว่ามันจขันนี่เป็นทุกข์ล่ ะ, ะนี่เราต้องเข้าใจว่าคําว่าทุกข์เหนื่อยอดจิตพระองค์แสดงว่ามันจะขันเป็นทุกข์นั่นน่ะเป็นทุกข์สแสดงตามความจริงขององค์ธรรมคือว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็มีความบับไปเป็นธรรมดาเป็นทุกข์อย่างนี้ เป็นทุก์ที่ทนต่อภาวะของมันในดั่งคาว่าทุกข์ไม่ใช่แปลว่าชีช้ำนะคนโสดมากหรืออะทุกข์นี่หมายถึงชีช้ำความชีช้ำนี่แปลว่าทุกข์ความเศร้าเศร้าโศกเสีจแปลว่าทุกข์ถ้ามาแปลทุกข์หมายถึงชีช้าอย่างเดียวก็เป็นการแปลทุกอย่างไ่นเกินไปคือว่าทุกข์น่มีมากมายมีทั้งสภาวะทุกข์เจตเจตสิกทุกข์สังขารทุกข์นะริเยสนทุกข์นี่อ่าปัญหาโมรทุกข์นี่มากมายกองคาว่าทุกข์เนี่ยทุกข์ทั้งหมดเนี่ยรวบอย สภาวาะทุกข์กับวัตถุขะทุกขะนี่แปลว่าทนไม่ได้สภาพใดที่คนทนตาอภาวะของมันไม่ได้สภาพนั้นเป็นทุกข์ไม่ต้องเอาไอ้ความชีช้า ม, มาเกี่ยวพันเลยไอ้ชีช้าน่ะเป็นเพียงแต่ปลายเหตุของไอ้สภาวะทุกข์มึงไม่พันนึสภาวะทุกข์คล้ายๆแม่กอถึงแม่คอแม่บททั้งเรานี่กอใจถึงคอลู้กเนี่ยไอ้ไอ้ความทุกข์ทางใจอะโศกเศร้าที่เรามาหมายกันอย่างทุกวันนี้แปลว่าทุกข์หมายถึงความโศกเศร้าเนี่ย เป็นเพียงแต่อักษรตัวหนึ่งในจำนวนสั้ง30กว่าตัวนี่ทั้งหมดนี่เป็นตัวแม่บทถ้าเราไม่รู้จักอักษรพวกนี้หมดทุกตัวอ่านภาษาไทยไม่ได้อ่าไม่รู้เรื่องต้องจําไม่ทุกตัวแล้วก็ไปหยิบเพียงตัวเดียวมาลูเพียงตัวเดียวมันจะหมายไปหมดทุกตัวไม่ได้เพราะนั้นตัวแม่บทอักษรไทยมีถึง30สิบกว่าตัวต้องเรียนรู้ทุกตัวไอ้สาสิกว่าตัวทั้งหมดนี่แหละท่านเรียกว่าสภาวะทุกทุกตัวหย่อเป็นทุกของสังขปธรรมทุกที่ว่าธรรมชาติได้มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา ธรรชาติสิ่งนั้นก็มีความดับไปเป็นธรรมดานี่เป็นทุกอย่างนี้เพร า, าะฉะนั้นสุ ข, ขเวทนาที่เรารต้องกาว่าสุขน่ะความจื่นมันก็ไม่เสีสุขแต่จําเป็นอยู่ที่พูด ก, กับมนุษย์ฝามันจะชนต้องสมมติกันเลว่าสุขสมมติยังไงเพรว่าทั้งอารมณ์สุขอารมณ์ทุกทั้งอารมณ์กลางกลมันได้แต่ความตื่นเต้นจะแล้วธรรมชาติมาเป็นความตื่นเต้นไม่ว่าจะเป็นตื่นเต้นในแงด่ดีตื่นเต้นในแง่ร้ายหรู้ระดับความตื่นเต้นไม่รุนแรงพอที่จะสร้างให้เกิด อารมณ์ดีอารมณ์ร้ายเหนมากกว่าิ้ธรรมชาตินั้นไม่มีอาการตื่นเต้นแล้วธรรมชาตินั้นก็ไม่สฉลยอดใช่ไหมธรรมชาติสิ่งใดเป็นภาวะสันต์คือความสงบธรรมชาตินั้นจะไม่ก่อความตื่นเต้นระดัให้เกิดขึ้นแต่จะก่อความเยือกเย็นความสงบให้กับเราท่อนเปรียบเหมือนน้าซึ่งน้ํำนิ่งในยามที่ไม่มีคลื่นลมมากระทบน้ําในป่าที่ไม่มีคลื่นไม่มีลมไม่มีใครมาก่อกวนเป็นป่าซึ่งราบเรียบใสเหน้นกระจกชันใด อารมณ์ที่เป็นไปเพื่อความสนุบไม่ตื่นเต้นนั้นจะตกในอารมณ์ที่ตรณีไม่มีอาการเป็นคริว้วเป็นละลอกหรือว่าเป็นคลื่นขึ้นมาแต่เมื่อได้ถ้าหากว่ามีอารมณ์ที่เป็นคลื่นเป็นละลอกเป็นคริว้วจะมากก็าตามจะน้อยก็าตามน้ำนั้นก็ไม่สงบเมื่อไม่สงบแล้วจึงไม่เป็นที่ตั้งแห่งความสุขแท้ตามความหมายเบื้องสูงเในพุทธศาสนาเป็นความตื่นเต้นด้วยกันทั้งนั้นแล้วแต่ระดับที่ความตื่นเต้นนั้จะอยู่แค่ไหน ทั้งนั้นทั้งนี้ชื่อว่าทําให้ใจเกิดปฏิกิริยาที่ฟูขึ้นมาเพื่อที่จะรับรูก้กับอาการตื่นเต้นเหล่านั้นทั้งในแง่ที่เป็นสุขทั้งในแง่ที่เป็นทุกข์ทั้งในแง่ที่ไม่ทุกข์ก็ไม่สุขนะเพราะเหตุนั่นแหละท่านพระพุทธองค์จึงแสดงว่าสุขเวทนานั้นมีราคะเป็นอนุสัยทุกขเวทนานั้นมีปฏิฆาเป็นอนุสันนนนยส่วนอุเบกขาเวทนาคือไม่สุขไม่ทุกข เวทนาที่ไม่สุขไม่ทุกข์นั้นมีอาวุธชาเป็นอนุัยแน่มีอนุัยนอนกล่นอยู่3าส่วนอย่าไปสังคันว่าสุขเวทนานัา้นดีเพราะใครๆก็ปราถนาแสวงหาสุขเวทนาแต่หารู้ไหมว่าไอ้เจ้าสุขเวทนาที่เราสวงหาทำนี่แหละหลังฉากมันมีราคะราคะคืออะไรก็เป็นกิเลสกองหนึ่งราคะชิไฟคือราคะจุมอยู่เป็นไฟนอนกล่นไฟซึ่งถูกที่เถ่าจุกถึงแม้ความร้อนแสงสีจะไม่ปรากฏ แต่เขียที่เท้าเมื่อไรก็เป็นคือขึ้นมาเมื่อ น, นั้นเนี่ไอาอาการที่มีสุกขเวทนาจึงเป็นความทุกข์ที่ดีกว่าความทุกข์แอกแฝงเป็นความทุกข์แอบแฝงสึ่งเขาเราจนเราไม่รู้สึกพอเราอารมณ์ที่พอใจสิ่งาแล้วเราก็ตะเกียกตะกายอยากจะได้อารมณ์นั้นมาเป็นของเรา น, น, นานๆอาการที่เราสะเกียกตะกายอยากจะรักษาอารมณ์อันนั้นมาเป็นของเรา น, น, นานๆนี่แหละเป็นความทุกข์ที่เราไม่รู้สึกตัวแต่ทุกชนิดนี้นะ่ะเรากับสาคัญว่าเป็นความสุขยกตัวอย่างเช่น คนที่มีความรักมีสามีเป็นดีรักมีภริยาเป็นดีรักมีชื่อเียงเป็นยศถาบันดาศักดิ์เป็นดีรักคนเหล่านนี่ก็สมมติว่าได้สามีที่ตัวสดใจได้ภริยาที่ตัวสดใจได้ยศถาฉันดอนถาฉันดอนศกิที่ตัวสดใจเป็นความสุขใช่ไหมแน่นอนในทางโลกเป็นสุขเวทนาเป็นโสมนัสเวทนาทางกายก็สบายทางใจก็เต็มตื้นโดยโสมนัสคือมันสมใจอยากอยากจะมีมือมันก็สมผมให้มี แต่ในอาจารที่ผมให้มีนะอ้ความทุกอย่างหนึ่งก็เกิดขึ้นพร้อมกันทีเดียวความทุกอย่นั้นคืออาจานย์ที่โหวงแหวนในสิ่งนั้นโหวงแหวนว่าคนคนนี้เป็นของฉันฉันไม่อยากจะให้คนคนนี้นะ่ะตกไปเป็นผู้อัดตคนอื่นใครจะมาลักคนคนนี้นอกจากฉันไม่ได้ไม่ได้ทีเดียวนี่ความทุกอันนี้มาแล้วอันนี้แต่พวกเราไม่รู้สึกนะในขณะยังไม่รู้สึกในขณะที่ว่าสามีของเราหรือภรรยาของเรายังไม่ได้เป็นโน้ตใจคิดหา้า แฟหม่แล้วก็เรยังไม่รู้สึกเขาตราบใดเขายัางยอมอยู่ใต้อำนาจเรากลับบ้านรงเวลามากินข้าวบ้านกลับบ้านแต่ว่าข้าแม่จะไปจะไปไหนก็าลาจะมาก็าบอเนี่แล้วก็กระตุ้นกระตังทางมาก็มาปากฝังเราไม่ไปเที่ยวไปเก็บไปฝังกับคนอืน่นนี่อย่างนี้เพราะว่าตัวของคนนั้นน่ะเป็นที่สนองเกียด ข, ของเราสนองเกียด ข, ของเราของคนนั้น่ะตราบใดเขายังสนองกเกลียดของเราได้อยู่ตราบนั้นเราก็มีความสุขใช่ไหม แต่ถ้าถ้าหากว่าพระนนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปเช่นว่าทักษจะกลับบ้านในตรงเวลาละ่ะทักษจะไม่มากินข้าวบ้านละหรือว่าทักษจะมีอะไรสุกศีข้างนอกละหรือว่าทักษจะไม่เป็นไปตามจิตใจเราที่จใจพระเป็นละทุกมาแล้วทุกมาแล้วทุกที่มาจะอะไรมาจากความสงยากขั้นแหละคือขั้นทีว่าฉันได้เขามาแล้วอาการที่ได้เขามาแล้วนั่นแหละทุกกองไหญจะมาตามหลังเขากลังดูเบลอกำลังลอยมาใส่หัวเราแหละคุณเบลอเสียเขาเนี่ยทานหัวเยอยมา แต่ในสายตาบุตชนคำคำว่าดีอร่อยมันอร่อยดีท่านจะโอมามาว่าอารมณ์ของบุตชนในโลกเนี่ยรับอารมณ์ของตามะคุนาลมแล้วเปรียบเหมือนกินขนมหวานซึ่อทางไม้นยาพิษแตกในขณะที่เคี้ยวขนมหวานตอนนั้นนะ่ะความอาร่อยปรากฏแต่เมื่อใดยาพิษตกถึงกระเพาะแล้วพิษของยาพิษกำซากออกกินทุกขหนักชันใดบุตชนถูกหลวงหาอารมณ์ในโลกไม่ขณะที่สบอารมณ์สมใจหมายในอารมณ์นั้นใหม่ๆ อกอให้เกิดสุขเวทนาโสมนสเวทนาความอริร่อยในอารมณ์นั้นเมื่ออารมณ์นั้นเปลี่ยนแปลงไปเขาก็ได้ประสบทุกใหญ่หมูไฟกองใหญ่เขาหลนใจเขาฉะนั้นนี่ท่านโบราณอาจารย์ท่านจึงให้ความหมายว่าอย่างนี้ว่าเวทนาทั้งหมดนี่นะเป็นที่ตั้งใหงอ้อัศวะอัศวะทะแปลว่าอะไรอัศวะท่าทแปลาตามความหมายคือความยินดียินดีนะถ้าจะแปลอย่างภาษา โรหน่อยก็ได้กว่ากวามอริตร่อยความอริตร่อยในอารมณ์เหมือนเราเด็กๆกินขนมต่างๆนี่กินแล้าท้องมันจะเสียไม่รู้ไอต้ตอนกินมันอร่อยอแต่เากินาไปแตงเมลอดเอวยสลิมเอยจะสมุกไปสมลูกกินซื้อมันกินดาเข้าไปเรือยเด็กๆที่มันร้องไห้มากๆพ่อแม่ที่ไม่ใคร่ดูแลรักษามีอะไรตวซื้อยา้เข้าไปใงให้มันเลิกร้องเลิกกวนใจสักทีแต่หารู้ไม่ว่าที่ัดมันเข้าไปนี่แหละเอายาพิษไปป้อนให้ลูกด้วยดีไม่ดีก็กลายเป็นโรกห้องุ่มท้องเสียโครคไข้ฟอยตามอาหารขมามีเชื้อ อารมณ์ในโลกนี่มันมีเชื่อโรกนั้นแหละอารมณ์ในโลกเนี่ยที่เราลับกันทางตาหูจมูกจิ้นกายใจเนี่ยล้วนแต่แฝ ง, งเชื้อโรคหมดเชื้อโรคท่กินที่คอกิเลสเชื้อโรคของเลถ้าเรารับอารมณ์ชื่อโรคเหล่านี้โดยที่เราไม่มีไม่มียาฉีดคอยสู้ไม่มีไอ่ไอ่ยากันชัวายาฉีดกันชัยคอยคอยสู้มาแล้วก็มันก็ฝั้งความคิดหาให้กับเราคือพวกง่ายๆว่าไม่รู้เท่าตำตึนจินทุกมันอยากจะฟื้นธรรมดาที่หายก็ปรากฏเผาเราทีเดียวนี่เป็นอัศวะพระคือความกรดิ่ร่อยคู่กัน นิพิธาความเบือน่ายความเบืน่ายของนิพิานะนะ่ะคือเบื่น่ายฉันไม่คิดเดี ว, ว่าเลิกก็ตีไอัสตาธอัสตาธานในรูปรถกินเสียงเลิกก็ตีอ่ะกูเข็ดแล้วอ้รูปริเสียงอ่ะกูเห้กูกินมึงมาตั้งหลายชาติดีดักแกล้วเข็ดกินมึงทีไรก็เล่น ง, งานกูย่ำแย่ทุกทีเลยเอ้รูปกินเสียงเพราะอาการที่เกิดความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นาะเล ว, ว่านิพิธาคือความเบื่นายเมื่อเบืนายก็คลายเมื่อคลายก็หลุดเมื่อหลุดก็พ้นสิเดียวเมื่อพ้นก็ได้นิพานนี่ว่างก แต่ชาตราบได้ยังไม่เกิดนิพพิพาแล้วเราก็ยังอดเดชร่อยกันชาติลราชาติเ่าพบแล้วพบเราไม่รู้จักจบจับซึ้งไม่รู้จบไม่รู้จักจบนี่เป็นธรรมดาอยู่พ่ออะไร ถ, ถึงเป็นอย่างไงละ่ะพราะเราจับอวิชชาปัญหาน่ะเรากอดเขาว่าคนละข้างไม่กล้าปล่อยข้างขวากอนอวิชชาเป็นเมียหลวงข้างใต้กอดปัญหาเป็นเมียน้อยทุกคนมีเมียมาสองคนผัวสองคนทุกคนไอ้เมียเราผัวเราก็คือว่าอวิชชาคนหนึ่ ง, งปัญหาคนหนึ่งกอดเอาไว้ไม่ยอมปล่อยกอดกันเลย ชาติไมนก็ไม่รู้ไม่ยอมปล่อยเลยกอดไว้นั่นทีเดียวจะปล่อยก็เสียดายเสียดายเสียดายแม่อภิชาเสียดายแม่ปัญหาเสียดายพออภิชาเสียดายพอปัญหาเนี่ยเสียดายทั้งองคนเนี่ยอ่ะบางคนก็กล้าปล่อยไปคนหนึ่งแต่เสียดายคนนึงรักผีเสียดายน้บกเลยไม่ยอมปล่อยทั้งสองคนกอดไว้เหตุนั้นคุณยงกล่าวว่าสุขเวทนานะมีราคาเป็นอนุยัยราคานี่แหละความพอใจความติดใจความอร่อยในอารมณ์เนี่ยเป็นอนุัยอาการที่สุขเวทนามีราคาเป็นอนุใสนี่แหละเป็นเหตุให้เราต้อง ร้องไห้ร้องโกมต้องชีช้าจิตใจกันไม่รู้แล้วหรอเนี่ยเพรอย่างนี้ถ้าเราไม่มีมันซะแล้วแล้วรู้ข่ามันซะแล้วที่ไหนเราจะใส่ฟ้าไส่ข้ามันเป็นของเราเมื่อเราไม่ไปใสฟข้ามันเป็นของเราแล้วเราก็ไม่ต้องเจ้าโศกเพราะมันมีการไปสมมติอย่างนี้เราเกิดมาไม่มีรักเราก็ไม่ต้องทุกขรักเข้าไหมแต่คนที่ไม่ทุกขรักน่ะไม่ชอบคนธรรมดาไม่ชอบบอกไม่เอาไม่ทุกขรักไม่สนุกไม่ชอบอยากจะให้ทุกขรักดีกว่าท่านยังเปรีบว่าเหมือนคนที่เป็นโลกเรือนเกาแหก กเกาแผ่เลุดเ้งขณะที่เกาอรอร่อยเหลเกินอร่อยมากนะแต่ว่าเลกเกาไม่ไร่มาแล้วแผเวไปือทีเดียวนองเอเวไลเอยพวกพองขึ้นมาแล้วเนือดน่องไหลซึ่ออกมาทีเดียวพราะแรงที่เกานะ่ยบางคนเป็นโรคผืนคันเอามาเชื่อมาต้องถึงโรงพยาอาลหรอกแค่โรคยุงตัดผืนคันก็พอเกามันขณะที่เกาอร่อยจริงแขกแขกแขพอเลิกเกาแมหมเลือดซึ้ดซึ้ดหนังมันทลอกทีเดียวนะถูกน้าเข้าถูกสม่เข้าแสกปวดเดือดเดืี่อารมณ์ทลกเป็นยังไงครับอารมณ์โลกเนี่ยเราไม่ชอบเรารู้ว่า มีรักก็ทุกข์เราะรักรู้ไม่ใช่ไม่รู้แต่ไม่เอาอยากจะมีให้มันทุกเล่นงนั่นแหละชอบทำไม่้องชอบพราะเจ้าอาวิชาเจ้าตันหาเราไม่กล้าปล่อยเข้าแล้วรักขีดเสียดายนอ้องเราคู่เข้ามาแต่ไม่สบายดีรักแล้วต่อเข้ามาแ ต, ต, ต่ไม่สบายสกิีบริชาณชาไม่พูดมาแล้วท่านบอกว่าอำนาจมากโคยังพิโคเอน่าดูความพิสุจทั้งหลายเรื่องต้นของวัฏฏเนี่ยไม่ปรากฏมุทโกตินั่นสุทโกติเรื่องต้นไม่ปรากฏอยู่เข้ามาในปรากฏอวิชาจะตันหาจาะนี่เป็นมูลของพอยู่เข้ามาไม่ปรากฏทีเดียเนี่ย เป็นอย่างนั้นท่านจึง์เฟียบว่าสุขเวทนาความจริงก็คือทุกข์สุขมากก็คือทุกข์น้อยทุกข์มากก็คือสุขน้อยนะอันนี้คุณครูขัดจังทีเดียวทั้งหมดนี้ชื่อว่าทุกข์ทั้งนั้นพวกไรทุกข์กเพรามันเปลี่ยนแปลงมันทนในภาวะเดิมมันไม่ได้ใครจะมาสุขเวทนาตลอดยี่ี่ชั่วโมงก็ไม่ได้ใครจะทุกขเวทนายี่สี่ชั่วโมงก็ไม่ได้ถคนที่ทุกขมากมาหลับลืมความทุกข์หลับไปมัก็ลืมคามทุกข์ไปชั่วคราวนี่งทุกขเวทนาเปลี่ยนหน้าก หลับก็ลืมความสุขที่ตัวรับอยู่แล้วเห็นกำพมโคแล้วเอามาเชื่อมันั่งนั่งฟังฟังกระางเนี่ยนั่งในอิรยาบทนั้นก็อิรยาบทนั้นไม่เคลื่อนไหวที่ไปเดี๋ยวพมไม่ได้ละต้องเป่นอิรยาบทละเาอะไรเกิดความทุกข์ขึ้นแล้วก็นั่งนี้ฟังสบายดีนะนั่งอยู่ไม่ได้มันเมื่อต้องเปลี่ยแท่เปลี่ยขายักได้อิรยาบทที่ต้องเป่นเนี่ยเพราะมันทุกข์จึงต้องเปลี่ยนถ้าไม่ทุกขก็ไม่ต้องเปลี่นนั่งมันพมโคอยู่ได้ละตลอดก็ต้องฟังกระ่างจบทำไม่ได สุขเวทนาก็อยู่สุขเวทนาตลอดปีสิจะชาติไม่ได้ทุกขเวทนาจะอยู่กับเราตลอดปีสิจะชาติก็ไม่ได้นะอทุกขะมะสุขเวทนาจะอยู่กับเราตลอดปีสิจะชาติก็ไม่ไ ด, นะมไมได้มันต้องเปลี่ยนจนบ้าอย่าวตัวเลยเพราะฉะนั้นมีคนมาจ้างปัญหาถาม ถามผมบอกว่าอกหักจะหายาอะไรแก้โรคอกักได้เพราะไม่ต้องไปแก้มันเสียเวลาแต่มันไม่ได้เลยนี่ม่เช่านหายเองแหละเพราะไอ้วามทุกข์ก็อกหักนะมันจะอยู่จาเจเราไม่ได้แล้วมันเป็นทุกข์ก็เลนะวันหนึ่งมันก็หายเองแหละตอนนี้อย่างไปทาอะไรมันจะาพึ่งไปดิ้นโดนตนกวบอกมีทุกข์ทุกข์ก็ให้มันทข์กันเลเหลือนี่ก่อนดูมันก่อนนะแต่อย่าปติโคติภัย เพิ่มทุกของตัวเองเข้ากแล้วกันทุกแค่อกหักกพาะอย่าไปทุกถึงขั้นคิดฆ่าตัวตายเลยอย่าอย่าไปเพิ่มทุกไอ้ที่คิดฆ่าตัวตายนะไปเพิ่มทุกข้ตัวเข้ามาเอาทุกแค่อกหักไว้แล้วพยายามกาอกหักว่าใหหายนะผมกับยุคข้นนะพอใหญหายนะอารมณ์ทุอกหักมัหญ่หายไปอันขาดให้มันอยู่ข้องตัวเจ้อเือตลดไปแล้วถ้าหายไปเม่อไหรมารายงานนะแล้วไม่ช้าเข้ามาบอกว่ารักษาไม่ได้แล้วอารมณ์ทุกอกหักน่ะมันมีอารมณ์อื่นเข้ามาจะต้องตืนเต้นมากกว่าฉนว่า เกิดยาผู้ใหญ่ตายเนี่ยบ้านบ้านแต่ก็แกขาดแยกมรดกกันความทุกอย่างมรดกมีมากกว่าทุกอกหักแล้วเวลานี้ครับถือนทุกอย่างมรดกแล้วเขาว่าก้าวนี่แหละยาและสารโลกขาดใรจะบอกให้นี่ให้ธรรมชาติมาฆ่ามันเองอย่าไปเล่นฆ่าพวกเราไม่ต้องมากระโดดน้าตายยิงตัวตายยิงเมียนตายยิงโัตายไม่ได้เมื่อไหรธรรมชาติมันจัดการฆ่าพวกนันเองเลเพราะคาว่าพกพราะาทนไม่ได้นในสภาพโลไม่ได้คมาโลอหักโกโมีเมียหมโลโมีเมียน้อยโลกเมียมีชไปต่ไปแกขมันนั่นะ่อยมันไม่ช้ามันหาย ธรรมชาติมันแก้ไขเองเสร็จทีเดียวมันจะทนดักดานอยู่นั้นตลอดไปไม่ได้หรอกนนักๆเข้า่าไม่มีทางแก้เฉยสมมติคนเจ็บหนักๆทุกเพราะโรคไขข่าเจ็บมากๆเป็นโรคมะเร็งคอระมาดเป็โรมะเร็งมากๆคนไม่ได้มนก็ตายวตายจาการนะคร้เองวันตายเพระคนไม่ภาวะโรคเกินหนักเกินการคนไม่ได้จัดการนะครับมันไม่จุลาัการนะครับเองเราไม่ต้เร่งว่าจุลาถึงเวลาแล้วมันจุลาเขาจัดการเสร็จถ้าเห็นว่าไอหมอนี่ผู้ปกคองตคนแล้วดักไปสักทีเถ้าจัดการเก็บเข้าบัญชีเองแหละเลิกกันไอมะเร็งก็หายนี่ เน่ไปถเพราะฉะนั้นให้เราถ้าเราเข้าใจธรรมะในข้อนี้แล้วปัญหาสังคมเลิกแก้ไขไปยอกแยะทีเดียวปัญหาต่างๆในหน้าเราทุกพิมพ์ที่เกิดการดิน้นกันตายฆ่ากันตายทุกเมื่อเชี่ยววันหายไปติดทิ้งทีเดียวถ้าศึกษาธรรมะในข้อนี้จึงเห็นแก้งรู้จริงในเรื่องเวทนาว่าไม่ว่าสุขหรือทุกข์หรืออธิขมะสุขะล้วนแต่เป็นทุกทั้งนั้นคือทบกติคนอ ย, อยู่ในภาวะเดิมไม่ได้สุขมากก็คือทุกข์น้อยนะทุกข์มากก็คือสุขน้อยโดยความหมายตันเดียวกันเป็นเพียงแต่ระดับ ขึ้นของมันนีขึ้นสั้นขึ้นดาวซุกก็คือขึ้นยาวก็คือขึ้นสั้นทั้งนั้นเองไม่ใช่อิงไกลเลยไอ้ทุกข์องเราเท่านี้คนอื่นเขาเห็นว่าทุกข์แต่นี่ขี่มูลาขี่ม้าแหละไม่ตื่นนะบางทีเราจับพุกเราคนื่นตังไบแล้วทุกข์ันมาอย่างไรต่างๆนานาคนอื่นเขาก็เออห้ามห้หหมามเเสียมาระย่างนั่นแหละแต่ในใจขเขาแล้วเขาก็ใช่จะมาพอพวกเราก็าหามไม่ถ้ า, าจะยิ่งเยงาะเราบอกไอ้นี่มั น, มมนโงโ่ถึงสิ่งนี้เป็นทุกข์อย่างนี้กง เท่าทางตวเองว่าถ้าทุกคนโตแลเป็นใหญ่โตเท่าของเขาทุกคนขนาไหแล้ววะเท่าขนหมูขนหมาหว่าั carbon, า้นไม่สำคัญที่เขาเป็ของฉันแล้วก็ใหญ่โตเป็นอย่างไงท้งนั้นทางนี้เราไม่เวทนาขันนี่เป็นเรื่องเวทนาเพราะเร่ท่านจึงเปรียบว่าเวทนานะ่ะเหมือนโภชนะหรือเหมือนข้าวนี่เป็นขันหนึ่งอาทัดจากเวทนาขันก็คือสัญญาสัญญาขันคำว่าสัญญานี่น่ะไม่ใช่ว่าไปทําสัญญาเช่าสัญญาเซ้งกับใครนะไม่ใช่นั่น สัญญาในที่นี้นะ่ะหมายถึงตัวจำปารีตีตัวจําจําได้หมายรูปท่านพี่ว่าตัวจําได้หมายรูปคือจําจํำหมายในอารมณ์ได้เช่นว่าจําสีเขียวสีแดงสีเหลืองได้เนี่ยเมื่อเด็กๆ เ, เรากําหนดหมายว่าสีอย่างนี้เดีว่าสีแดงแม้ตัวขึ้นแม้แก่ลงเห็สีชนิดนี้เข้าก็รู้ว่เป็นสีแดงอย่างนี้เป็นอาการของสัญญาเป็นหน้าที่ของสัญญาขัน เป็นตัวสัมปาดีที่เรารู้ว่ายังตัวเรายังเป็นตัวเราอยู่นี่ก็เพราะอำนาจสัญญาใครเลือคนที่สัญญาวิพัลลาคือคนบ้าน่ะไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองจึงสามารถแก้ผ้าต่อหน้าทารักํานันได้ออกยี้ออกโขนต่อหน้าทาลักํานันได้ไม่มียังไงกับเขาเวลานั้นสัญญาเขาวิพัลลาแล้ววันถึงขําหมายจําได้ว่าตัวฮุตัวอันนี้เป็นตัวฉันนั้นไม่มีแล้วมันกลายในตัวอะไรใครคนหนึ่งไปก็ไม่รู้ไม่เป็นตัวเองแล้วไม่อยู่ในอำนาจของตัวเองแล้วจึงเป็นสัญญาวิพัลลาอันนี้สัญญาขันจริงหมายถึงธรรมชาติที่เป็นตัวสปฤดี กำหนดหมายในอารมณ์ได้เช่นอารมณ์ต่างๆที่เป็นรูปรถกลิ่นเสียงสัมผัสคือสัญญาในรูปสัญญาในรถสัญญาในเสียงสัญญาในสิ่งสัญญาในการรับสัมผัสแล้วก็สัญญาในความคิดมึกในอารมณ์ต่างๆนี่เป็นสัญญาขันเกิดผัดจากเวทนาเพื่อจะกัดจากเวทนาขันก็ชื่อว่าสัญญาขันคือตัวสัมปันธีต่อจากสัญญาขันท่านจึงเปรียรสัญญาขันว่าเหมือนกับกับข้าวพทายชนะ ลูกเป็นไพ่ผ่าชนะเวทนาเป็นโภชนะสัญญาเป็นพยัญชนะพยัญชนะในในที่นี้แปลว่ากับข้าวหมายถึงกับข้าวเนะช่นว่าตาหมูเห็ดเปไก่ในสําหรับนั้นเป็นกับข้าวสัญญาขาันนี้เป็นกับข้าวขัดจากสัญญาขานันก็เป็นสังขารขันคำว่าสังขารเนี่ยเป็นคํากว้างมากในพุทธศาสนาธรรมาชาติใบสุนทงแต่งงสัสสสรปิติ ธรรมชาติใบที่งปรุงแต่งธรรมชาตินั้นชื่อว่าสังขารเพราะฉะนั้นคำว่าสังขารในตัวมันเองเนี่ยแปลว่าเป็นตัวที่ทาหน้าที่ปรุงแต่งปรุงแต่งธรรมชาติใบที่ทําหน้าที่ปรุงแต่งได้ก็แสดงว่าธรรมชาตินั้นอ่ะมันก็ต้องถูกปรุงแต่งมาอีกทีหนึ่งไม่ไปตัวมันเองโดยเที่ยงตรงก็ต้องถูกปรุงแต่งมาอีกทีหนึ่งนะไอ้สังขารเนี่ยสังขารจึงมีความหมายในพระาศาสนาแบ่งได้สามตเด็นด่งนี่สังขารอันหนึ่งหมายถึงว่า สิ่งต่างๆทั้งฝ่ายนามฝ่ายรูปทั้งรัตถุทำทั้งนมามธรรมซึ่งเกิดจากการปรุงแต่งของเหตุของปัจจัยเราเรียกอันก็นกนสังขารเพราะฉะนั้นสารหลังนี้ก็ตําหนักหลังนี้ก็สังขารพัดลมอันหนึ่งก็สังขารเสื่อตัวหนึ่งก็สังขารในในความอมานี้เพราะว่าเกิดจากการปรุงแต่งชินมีขึ้นเช่นกว่าบ้านตพราะงั้นฝ่าไหนทับกับสัมภาระบุญเป็นเมนเหล็กช่างต่อสร้างอิฐเครื่องไม้มาปรุงแต่ขึ้นบ้านก็เป็นหลังขึ้นมา เพื่อจะมาใ ส, ส่เส้นได้คเยึดเข็มตั้งใจเครื่องจักรเพื่อที่สำเร็จเปสื้อขึ้นมานี่ก็บอกว่าตัวสักกันตรงแต่งสังขารดีกว่าไหมอันนี้เป็นในย่าหินกว้างมากบางทีท่านก็ใช้คำว่าสังขารแทนคำบอกสังขารก็มีสังขารในย่ที่สองสังขารในย่ที่สองได้แก่สังขาระขันในคำห้าที่ว่านี้สังขาระขันในค้าในที่ได้แก่อะไรก็ได้แก่ความคิดนึกเองชื่ว่าสังขาร อาการที่รู้จักคิดรู้จักนึกเป็นอาการสังขานพูดง่ายๆว่าได้แก่เจตสิกกรรมเจตสิกกรรมนี่หมดชื่อว่าสันขานในถุกันตะนนท่านแบ่งว่าเป็นสันวเกตนาสันวเกตนาที่เป็นไปทางตากรรมก็มีสันวเกตนาที่เป็นไปวจีกรรมก็มีสันวเกตนาที่เป็นไปทางมนุกรรมก็มีตัวสันวเกตนานี่แหละเป็นสังขารขันเป็นตัวสังขาระขันเพราะเป็นตัวผิดปรุงให้กายกระทำเป็นบาปบ้างเป็นบุญบ้างให้วาจี พูดกอกมาเป็นบุญบ้างเป็นบาปบ้างให้ใจคิดในอารมณ์ที่เป็นบาปบ้างเป็นบุญบ้างนี่เป็นหน้าที่ของเจ้าสังขารในสังขารฐ า, านในขันหา้านี่อีกประเด็นหนึ่งสังขารอีกประเด็นหนึ่งเป็นในยะิีามได้แต่สังขารี่ท่านแย้าเปนอุปาปินตะสังขารอนุษา์ปานตะสังขารอุปาปินตะสังขารคือสังขารที่มีชีวิตจิตใจยึดครองเช่นมนุษย์กะตัก อนุปาติมกถาสังขารแต่แต่สังขานที่มีชีวิตจิตใจยึดครองเช่นต้นไม้เรือนโรงนี่เป็อนุปาทิมกถาสังขารนี่เป็นสามในยากกว่าสังขารระคันในขั้นห้านี้หมายถึงตัวความคิดนึกที่ปรุงแต่งใจให้เกิดเป็นใจบาปใจบุญใจในบาปในบุญคือใจที่เป็นกลางๆลรียกว่าอัพยามกระตากนี่เป็นเจ้าตัวสังขารเป็นเครื่องปรุงปรุงให้เป็นบาปบ้างปรุงให้เป็นบุญบ้างปรุงให้ไม่ให้บาปไม่ใช่บุญคือเป็นกลางกลางบั้งเป็นเจ้าหน้าที่ของตัวสังขารนี้ ได้แ ต, ตงง่ตัวเจตนาพุณง่ายว่าตัวเจตนาล่ะเองเจตนาหั่นกำมังวิเคเานี่แหละตัวเจตนานี่แหละดูความพิสูจน์ทั้งหลายถาสถาพกล่าวว่าเจตนาเป็นตัวตั้มเจตนานี่แหละที่เจ้าตัวในสังขารรักขันล่ะพอสังขารขันเนเป็นตัวปรุงปรงใจให้เป็นบาปเป็นบุญในบาปม่บุญ น, นี่ดีกว่าสังขารรักขันเพราะฉะนั้นสังขารรักขันท่านจึงเปรียบเหมือนว่าเป็นพ่อครัวพ่อครัวเป็นทู้ปรุงอาหารให้เราระกาน หน้าที่ของพ่อัวจึงเป็นหน้าที่ของสังขารภาษาบาลีใช้คําว่าพุนชตาแปลว่าพ่อครัวสังขารทําหน้าที่เป็นพุนชะตาคือพ่อกรัวต่อจากสังขารก็คือวิญญาณนักขัวิญญาณนักขัน่ะ ว, วิชานตีติวิญญาณนังธรรมชาติไดรู้ในอารมณ์ธรรมชาตินั้นชื่อว่าวิญญาณคือความรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เป็นหน้าที่ของวิญญาณนักขัโดยความหมายแล้วคําว่าวิญญาณในที่นี้นะ่ะ มีหลายประเด็นเดียกันคือแบงเป็นสามสามสามประเด็นพวังควิญญาณอย่างหนึ่งปฏิสนทธิวิญญาณอย่างหนึ่งวิถีวิญญาณอย่างหนึ่งสามอย่างอยู่ในคำว่าวิญญาณในขันหมดภวังคาวิญญาณคืออะไรคือจิตธรรมชาติได้เรียกว่าจิต บ, บงังมโนบงังวิญญาณบางอันเดียวกันแนละ้วจิตวิญญาณมโนอันเดียวกันหมดแต่แว่าเรียกเวลาทําหน้าที่เรียกเรียกตามหน้าที่ก็แตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นว่าในคอ สวอยู่ในฟอร์มไปทํางานในกระทรวงเป็นชั้นหัวหน้ากองลูกน้องในกระทรวงนั้นเรียกว่าทำหัวหน้ากองในกองเลิกราชการแล้วกลับบ้านพอยู่ในฟอร์มออกเล่นกับลูกๆลูกๆบิดในกองว่าคุณพ่อในกอไปหามารดามารดาก็เกลียกในกอว่าลูกลูกชายในกอคนเดียวกันแต่เนื่องจากหน้าที่ในกอทําในกะวาละฐานะที่แตกต่างกันก็มีชื่อเรียกแตกต่างกันชั้นใดธรรมชาติที่เดียวว่าขาดรู้รู้ในอารมณ์นี่แหละหาหากทําหน้าที่โดยเฉพาะในตัวมันเอง ไม่เกี่ยวกับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเราเรียกกันว่าพวังพลังวพลังวิญญาณด้วยพวังควิญญาณนี่อันหนึง่งธรรมชาติรู้อันนั้นแหละถ้าหาว่าทําหน้าที่ในถือปฏิสนธิในทศภูมต่างๆหน้าที่ที่ทําหน้าที่เกิดในทศพูมต่างๆตามอำ น, นาจชน ก, กรรมเป็นผู้ชักตรมงเราเรียกกันว่าปฏิสนธิวิญญาณอันเดียวกันอีกเหมือนกันในธรรมชาติเดียวอันนั้นอีกเหมือนกัน ถ้าหาว่ามาทําหน้าที่ทางสวันคตาหูจมูกลิ้นกายมารู้ทํางตารูทําหูรูทํากายรู้ทํางจมูกรู้ทําลิ้นเราเรียกกันว่าวิถีวิญญาณวิญญาณตามวิถีคือจักขู่วิญญาณหน่ววิถีโสต้วิญญาณหน่ววิถีต้นต้นเนี่คือวิถีวิญญาณเพราะนั้นจิตบ้างธรรมชาติใดรู้คิดธรรมชาตินั้นเชื่อว่าจิตวิญญาณธรรมชาติใดรู้ในอารมณ์ทางสวรรธรรมชาตินั้นเชื่อวิญญาณธรรมชาติใดน้อมไปในอารมณ์ธรรมชาตินั้นเชื่อวมโน เหตุน wie, ั้นจิตวิญญาณมโนอันเดียวกันแต่ที right <nas hing S 2> ่สีกว่าอันเดียวกันเนี่ยอย่าไปนึกว่ามันเที่ยงนะอันเดียวกันก็จริงอูแต่มันเกิดเติดดับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่เที่ยงมีเปลี่ยนมาในกอที่ว่าเนี่ยในกอที่เป็นหัวหน้ากองในกอที่เป็นคุณพ่อของลูกในกอที่เป็นลูกของคุณแม่ใช่ว่าในกอคนนี้แม่จะเป็นคนเดียวกันแต่สว่าในกอใช่ว่าจะผมดำก็ผมดำตลอดไปก็หาไม่ในกอก็รู้จักแกรู้จักแก่รู้จักงอรู้จักตายรู้จักพัฒจากแม่พัฒจากลูกพัากตําแหน่ง ตัวใน ก, ก็เปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงตามอันหน้าสภาธรรมชั้นใดกิจบ้างวิญญาณบ้างมโนบ้างแม้จะเป็นธรรมชาติไว้พลียกในธาตรู้อันหนึ่งแต่ใช่ว่าธาตรู้อันนี้นนจะยืนลงจะเที่ยงแท้ต่หาใหม่มันก็มีหน้าที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามอันานของตําของที่เลยสภาทรรมจะจุมแต่งมันชั้นใดก็บชั้นนั้นในวิญญาณขันในที่นี้จึงมีความหมายทางพวังขวัิญญาณทางปฏิสนธีวิญญาณทางวิถีวิญญาณรวมอยู่ในตัวคำว่า วิญญาณขันโหมดท่านจึงเปลียบวิญญาณขันว่าเป็นผู้กินคือพุนทิตาผู้กินในอาหารคืออารมณ์ในอันนี้เป็นอุปมาขันหา้าเพราะว่าถ้าเราไม่มีธาตุรู้ธาตุคิดธาดุนึกกันนี้แล้วแม้อารมณ์จะปรากฏเฉพาะหน้าเวทนาก็ไม่เกิดสัญญาก็ไม่เกิดสังขารก็ไม่เกิดแต่ถ้าหากว่าวิญญาณมีอยู่หากสังขารเวทนาสัญญาไม่เกิดอารมณ์ก็ไม่เกิดเห ม, มือน ก, กันมาอาศัยกันอาศัยกันธรรมชาตินี่ยมาอาศัยกันหมด เพราะเหตุนั้นท่านจึงสรุปขันห่าว่ารูปขน100 1, 100 1ันเหมือนหนึ่งเหมือนหนึ่งท่าชนะเวทนาขนันเหมือนหนึ่งโพชนะสัญญาขนันเหมือนหนึ่งพยัญชนะสังขารขันเหมือนหนึ่งพ่อครัวคือทุนชะตะวิญญาณขนันเหมือนหนึ่งทุนชิตาคื อ, อ, อผู้กินอีกรูปแปลง่ายๆว่ารูปขันน่ะเหมือนหนึ่งสำหรับกับข้าวเวทนาขันน่ะเหมือนหนึ่งข้าวที่เราจะกินสัญญาขันเหมือนหนึ่งแกง หมูเห็ดไกลกับข้าวในสําหรับนั้นสังขารขันเหมือนหนึ่งพ่อครัวที่ปรุงขุนข้าวให้เรกินปรุงกับข้าวให้เรกินวิญญาณขันนะ่ะคือผู้กินคือตัวเราเนี่ยแหละที่จะนั่งเปิดสำลักกินเลยแหละเปรียบอย่างนี้นี่เป็นอุตมาร่างขันห้าอ่าในยะของขันห้าอีกในยะหนึ่งท่านกล่าวบอกว่าทั้งเวทนาทั้งสัญญาทั้งสังขารจะเกิดต้องรูกอารมีรูกนะ่ะมีอะไรเป็นสมุธาน เวทนาสัญญาสังขารมีอะไรเป็นสมุทฐานวิญญาณขันขามีอะไรเป็นสมุทฐานรูปสังขารมีอาหารเป็นสมุทฐานมีอาหารเป็นอิทธานมีอาหารเป็นเหตุอาหารในที่นี้อ่ะยังสัตย่างพวกเราเามนุษย์สัตว์ในรลกก็คือกบลินกราหารอาหารที่เราเคี้ยวเป็นคำคเปิดข้าวใส่ปากเนี่ยเป็นเหตุถ้าเราไม่กินอาหารรูปต้องแตกต้องดับตายแน่รูปต้องแตกแน่ที่เราตายนี่ยคือคนอดข้าวตายเน่ะนามขัน มันเด็กกระุกระเพรีงเท่าไหร่นะครับไอเด็กกระตุกกระเพรีงนั่็ูปกระขันแต่พราเกิดที่น้ำกระูปมาอาศัยกันอยู่เพราะรูประขันอดข้าวน้มาขันจ็เดือดร้อนนี่เดือดร้อนผิดคนอดข้าวตายนะไม่ใช่น้ำมาขันต้องตายหรอกไม่ใช่หรอกรูประขันไมตายรูกกระขันทนไม่ไหวนี่ผู้สัตว์ในในในโลกมนุษย์เราเนี่ยน้ามาขันไม่ต้องกินข้าวมันก็ไม่ตายน้ำมาขันเนี่ยมันตายเพราะเอื่นไม่ใช่ตายเพราะว่าไม่ได้กินข้าวหรอกน้มาขันแต่ลูกกระขันนี่ไม่ได้รูกกระขันต้องอาศัยอาหารทำไมมีอาหารเป็เครื่ รูปรขันตัววิบัติขอเหี่ยวท่านเปรียบเหมือนดอกอุบลไม่ได้ดูแล้วไม่มีนะ้ําไม่หล่อเลี้ยงแห้งเหี่ยวอับเฉาไปตายไปดินก็แข็งแต่กระแหงน้ําก็ไม่มีดอกอุบลนั้นก็เหี่ยวแห้งรากก็เน่าไปแห้งไปฉันใดรูปรขันเนี่ยหาว่าปราศจากกรรมลิงกราหานเป็นนิทานเป็นเหตุเป็นปัจจัยแล้วมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้ถึงการแตกดับเพราะฉะนั้นรูปรขันจึงมีอาหารเป็นสมุทฐานนี่ประการหนึ่ง เวทนาขันสัญญาขันกับสังขารขันสามกองนี้มีพัฏฐะเป็นสมุทฐานพัฏะคืออะไรพัฏทะพุทธตีติพัฏโ ต, ตพัะธรรมชาติใดซึ่งกระทบธรรมชาตินั้นเรีย ว, ว่าพัฏฐะพุทธพัฏฐะอ่าคำว่าพัฏฐะนี่อ่ะต้องอาศัยธรรมสามสามเหล่าประชุมกันพัฏฐะทิมเกิด คืออาศัยตาหนึ่งรูปหนึ่งร่ามรู้คือจกักรคูปิญญาที่เกิดหนึ่งสามอย่างนี้จึงบังเกิดจกักรคูปสัมผัสสชาพุทคเวทนาจักรคูสัมผัสชาทุกธเวทนาจักรคูสัมผัสชาอภุกรมะพุทธเวทนาเกิดขึ้นแม่ในอายตนะอื่นก็เหมือนกันท่านจึงเตียนว่าอายตนะภายในอายตนะภายนอกอายุตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายอายุตนะภายนอกคือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัส มากระทบกันแล้วบังเกิดจากขววิญญาณโกตะวิญญาณฐานะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณความประชุมแห่งองค์ธรรมสามสามเหล่านี้คืออริยกุณะภายในอริยกุะภายนอกแล้วก็วิญญาณที่ความรู้ในอริยกุณะกระทบเหล่านั้นมาประแกดพัฒนาบัานเกิดพัฒนะที่เกิดขึ้นพัฒนาจะไม่เกิดโดยเอกเทศแต่จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อทำสามเหล่านี้มาประชุมพร้อมองค์กันแล้ว พัฒนาจึงเกิดเปรียบเหมือนโคดํากับโคขาวสองตัวชนกันเขามันชนกันอะเมื่อชนกันแล้วอาการที่มันชนกันนี่แหละเป็นผัดสะเป็นผัดสะตนี่ยัฒนาเพราะมีพัฒนะจึงเกิดเวทนาจึงเกิดสัญญา